คิดจะออกก็เห็นด้านดีตั้งใจจะอยู่เป็นเรื่องป เ, เป็นราวก็เห็นแต่ด้านเลวเพราะว่ารูปทั้งหลายมันมีอยู่สองด้านด้านทั้งหน้าปรารถนาและด้านที่ไม่น่าปรารถนาด้านที่น่ายินดีและก็ด้านที่น้ายินร้ายผัรรสว์ทั้งหลายก็เลยมีปกติอยู่ด้วยความยินดีและอินร้ายยินดีเขาเรียก่าอภิชายินร้ายเขาเรียกโทมนัส น, นะนะอภิชาและโทมนัสเป็นข้อปฏิบัติดโดยปกติของสัตว์ทั้งหลาย อภิชาและโทมานต์เนี่ยนะคืออภิชาคือราคะโทมานต์คือโทสะอภิชาคือการมาฉันทานิวรโทรมานต์คือพยาบาทนิวร์อภิชากับโทมานต์เหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารที่อร็ดอร่อยของวัตะเนี่ยนะต้นเหตุของวัตตเพราะ ง, งั้นถ้าพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวเชื้อโรคที่ที่มันมันรักษายากเนี่ยนะที่รักษายากจริงๆรักษายากถึงขนาดว่าออกเถอะ ก็ไม่ออกเพราะมันเห็นด้านดีงั้นคุณก็อยู่ให้มันมีความสุขไม่ได้มันมีด้านเลวอย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าในฐานะผู้เปลื้องหนี้เสร็จแล้วผู้ชำระหนี้เสร็จเนี่ยเอ้ยพระ อ, องค์ทำยังไงเนี่ยนะตรงเนี้ยที่เรามาเรียนสติปัฏฐานมาเรียนวิธีคิดของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์คิดอย่างไรเนี่ยนะจึงใช้หนี้ได้หมดจึงเลิกยินดีแต่ก็ไม่ใช่ยินร้าย ไม่ใช่โกรธโอ้กาเฟเป็นต้นไม่ใช่ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกว่ามีทรัพย์มาใช้มีทรัพมามาอุดเขาเรียกว่ามีทรัพมามาอุดอุดนี่คือการมาฉันทะเขาว่าทำให้พ้นจากการลงโทษถูกลงโทษจากโทสะเนี่ยนะ จริงนะขณะที่เรายินดีก็เหมือนกับกู้นี่ขณะ ท, ที่ยิ้มแ ย, ย้มแจม่มใสใช่เวลาเขาให้กู้นี่หน้าบาน ย, ยิ้มแป้เลยไอตอนที่เขาใช้คืนแล้วเขาก็เบียดเบียนบอกว่าคุณไม่ใช่นะโอ้ยขมขูอย่างนั้นอย่างนี้นะเสียอกเสี ย, ยใจเต็มที่เลยนะเอาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้นี่อย่างไรเพราะวิธีการของพระพุทธเจ้าไม่ใช้กู้ไม่ใช่วิธีการกู้แล้วก็ไม่ใช่วิธีการแค่ผ่อนชำระอ่าหรือแบบถูกคำข่มคูแล้วเดือดร้อนลําบากใจไม่ใช่ แต่เป็นการม MM ีอริยทรัพย์เนี่ยนะปัญสติประฐานจึงเป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้สักกะสักกะแปลว่าผูกก้กกมีทรัพย์มากทรัพย์ของพระองค์มีมากคือพระองค์มีสติประธานมากทรัพย์คือสติประฐานของพระองค์มีมากทรัพย์คือสัมมัปปธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มรคของพระองค์มีมากเพราะพระองค์มีอริยทรัพย์เหล่านี้มากพระองค์จึงใช้นี่ใน วัตะจนประสบความสําเร็จนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะวิธีการพิจารณาสติปัฏฐานเป็นวิธีการใช้นี่เนี่ยนะถ้ใช้นี่เราไม่ต้องกู้ใหม่แล้วไม่ต้องไปเสียใจเวลาที่เขามาทวงคืน น, น, นะเวลาเขามาทวงคืนก็ไม่เสียใจแล้วก็ไม่คิดจะกู้ใหม่ในที่สุดก็ถึงความเป็น อิสระชนกลายเป็นเสรีชนผู้ที่เป็นอิสระชนเสรีชนเพราะเข้าถึงธรรมะที่เป็นเสรีเนี่ยนะก็คือสามารถที่จะเปลื้องหนี้ให้ตัวเองพ้นจากความเป็นทาตกลายเป็นไทยเป็นอิสระชนชนที่เป็นอิสระชนนี่เรียกว่าพระอริยเจ้าอย่างปุตุชนทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่เป็นลูกหนี้ที่ถูกลงโทษแล้วก็ถูกผูกไว้ด้วยโซ่สิบเส้นถ้าเป็นทสดาบันใช่หนี้เสร็จ ใช้หนี้บางส่วนออกไปก็ตัดโซ่ออไปสักสามเส้นนะถ้าอนาคาคามีก็ทําโซ่บางส่วนให้มันมันเพลาๆหน่อยให้มันเหลือเส้นเล็กๆหน่อยนะถ้าอนาคามีก็ตัดโซ่ออกไปห้าเสร็จนะห้าเส้นถ้าเป็นพระตุหันก็ปลดโซ่ได้หมดโซ่ตรวนเนี่ยนะที่ผูกไว้กับวัาตถ์เนี่ยก็ปลดออกหมดก็กลายเป็นอิสระชนกลายเป็นเสรีชนกลายเป็นพระอริยเจ้าเหมือนกับหมู่เนื้อที่เดินอยู่ในป่า หมูเนื้อที่เดินอยู่ในป่าที่ไม่ได้ถูกคล้องด้วยบ่วงเป็นสถานที่ที่ไม่มีภัยเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ไปของนายพรานเป็นที่ที่นายพรานเข้าไปไม่ถึงหมูเนื้อเหล่านั้นเดินก็สบายใจยืนก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจเพราะถึงสถานที่ปลอดภัยฉันใดผู้ที่เจริญสติปัญฐาได้อย่างถูกต้องใช้นี่สาเร็จก็กลายเป็นคนที่ เป็นไทยกลายเป็นคนที่มีความสุขไงนะ่านพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีความสุขเสมอสุขทั้งกลางวันสุขทั้งกลางคืนเมื่อใดก็เป็นสุขมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยบรรทมเป็นสุขอยู่หรือนะนอนสบายไหมภาษาพวกเราสนทนากันเป็นไงหลับสบายไหมนะถ้าไปค้างคืนบางที่ที่เราไม่เคยไปกันนะก็จะมีการซักถามเป็นยังไงเมื่อคืนหลับสบายไหม นะก็สบายม้างไม่สบายบ้างว่าไปตามเรื่องตามราวแต่ของพระพุทธเจ้าที่ไหนก็สบายอยู่ป่าช้าก็สบายอยู่ในเขตหมู่บ้านก็สบายออกจากหมู่บ้านก็สบายคนไม่มีหนี้มันสบายที่สุดอิสระชนเนี่ยสบายที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าไม่ต้องไปภาะวะผวองเพราะการงานก็ทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะงานคือกิจในการเจริญอริยศาสตร์ก็ทํา เสร็จแล้วเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะผู้ที่ใช้อริยทรัพย์อย่างสมบูรณ์ไม่เห็นตนจะมีภัยมาจากที่ไหนไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องไปเดือดร้อนจากเรื่องอะไรไม่เห็นว่าตนจะต้องไปลำบากใจจากเรื่องอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์เนี่ยคนที่มีอริยทรัพย์อย่างนบบั้นเขาเรียกว่าพุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าโอรสของพระพุทธเจ้าผู้รับมรดกคืออริยทรัพย์จากพระพุทธเจ้างนั้นถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ว่า การเจริญสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อรับมรดกจากพระพุทธเจ้าจะพ่อปูนบริบูรณ์ไปด้วยอริยอริยธรรมบริบูรณ์ไปด้วยกุศลธรรมเราก็จะยินดีที่จะพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจคุณนประโยชน์ของคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเชื่อไหมว่าโอ้สติปัฏฐานฉันไม่เจริญหรอกใช่ไหมไม่เจริญหรอกเพราะว่าโอ้ดูแล้วมันไม่น่าเจริญเลยอ่ะ แต่และอย่างดูสินะเห็นซากศพขึ้นเขียวขึ้นอืดเป็นทนเอาฟังแล้วก็เจริญอย่างอื่นก่อนเถอะไปเจริญพรห ม, มิหารกักนท่านั้นบางคนเนี่ยทำใจไม่ได้ที่ทําใจไม่ได้เพราะไม่รู้คุณรู้ประโยชน์รู้อา น, นิสงส์ผลกําไรที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเจริญสติปัฏฐานกําหนดจดจําไว้ให้แม่นว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนในการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเอกายโนทางสายเดียว นะนะเป็นทางของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ผู้อื่นก็แค่เดินตามเท่านั้นแหละเป็นทางสายเดียวที่ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวคือพระนิพพานผู้ใดเดินตามทางสายนี้บริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะก็แปลว่าปราศจากหนี้สินโดยประการทั้งปวงเพราะสมบูรณ์ด้วยอริยสัพย์นะนะพ้นจากโสกะพ้นจากความเศร้าโศกไม่มีรูปใดจะเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศก เชื่อได้เลยว่ารูปไหนที่เราไม่เคยเจริญสติปัฏฐานอย่างเพียงพอรูปนั้นจะนำมาซึ่งความโศกแต่ถ้ารูปเราใดเราเจริญสติปัฏฐานไม่พอรูปนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกรูปใดที่เราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานรูปนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความบ่นเพลร่มพันเรกวปริเทวถ้ารูปใดที่เจริญสติปัฏฐานไว้เสร็จแล้ว รูปนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบนเพลิรำพันรูปไหนที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานรูปนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกและโทมานัส ร, ร, ร, ร, ร, รูปเหล่ า, าใดที่เจริญสติปัฏฐานไว้เสร็จแล้วรูปนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัตเพราะว่าพิจารณาและเจริญสติปัฏฐานเข้าพละสมาบัติได้เลยเนีนะทนรูปเหล่าใดถ้าพิจารณาข่ครควนจนครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วจะก้าวล่วงโสกะปริเทวทุกโทมนัตและ อุปายาตแน่นอนว่าจะต้องบรรลุญาธรรมคืออริยมรรคธรรมที่นําออกจากวัตถุทุกธรรมที่เป็นนิยานินกระธรรมทําให้พ้นจากทุกขโดยส่วนเดียวแล้วก็ธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะก็เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งอยู่แล้วพระนิพพานเป็นที่สงบระงับดับสังขารทั้งปวงพระนิพพานเป็นภูมิที่ปลอดภัยเนี่ยนะพระนิพพานเป็นแค่ว่าอัปปวัตตาอนิมิตอาอนายูหันะเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยธรรมเป็นที่ดับทุกทั้งปวงก็จะ ปฏิบัติแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ทำให้แจ้งทีนี้ขั้นตอนหรือวิธีการในการเจริญสติปัญฐานเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคืออะไรย้อนกลับมาหาเรื่องรูปอีกทีหนึ่งรูปเนี่ยนะมีสูตรหนึ่งว่าพระองค์เนี่ยเสา ะ, ะแสวงหาค้นหาว่าอะไรคืออัสรพระแห่งรูปเสาะแสวงหาค้นหาว่าอะไรคืออาทีนวะของรูปแล้วก็เสาะแสวงหาค้นคว้าว่าอะไรเป็นนิสระักของรูป แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกลับเนี่ยนะค้นหาข้อหน้ายินดีของรูปว่ารูปมันน่ายินดียังไงนะใช้เวลาเก็บสติติว่ารูปมันน่ายินดีอย่างไรเนี่ยใช้เก็บสติต อ, นนอันเนี้ยสี่อสงไขยเหมือนนนอะแล้วพิจารณาหาว่าโทษของรูปเนี่ยมันมีโทษยังไงบ้างเก็บเรียกว่าเก็บข้อมูลทั้งด้านดีและด้านเสียอ่าไม่ใช่คําว่าด้านดีบ้าด้านที่น่ายินดีแล้วก็ความเสียหาย เก็บท้งส่วนที่หน้ามันน่ายินดียังไงและมันมีความเสียหายเลวร้ายอย่างไรเนี่ยเหมือนกับใครๆซื้อรถสักคันหนึ่งเขาจะมองในแง่เนี้ยเออรถคันนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะมันน่ายินดีในด้านไหนบ้างใช่โ อ, อในด้านด้านหน้ายินดีคือสีสวยแต่ถ้าด้านยินร้ายนะโอ้โหพิษภัยมหาศาลอย่างนั้นนะประสบอุบัติเหตุก็บ่อยอะไรเป็นต้นไหนยกตัว อ, อย่างนะว่าชั้นใดก็ดีรูปทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นจริงๆมันมีด้านที่น่ายินดีอยู่แต่ว่าไม่มาก พระอก็เก็บสถติเนี่ยนะเก็บสติว่ามันมีน่ายินดีตรงไหนบ้างรูปและมันมีข้อเสียหายอย่างไรบ้างรูปเคยเห็นไหมพรอมีสูตรหนึ่งพระองค์บอกพระอ น, นุลมาอ่านดูก่อนอ น, นุเราไม่เล็งเห็นรูปแม้แต่อย่างหนึ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวทุกโทโมานัทและอุปาญาตสาหรับบุคคลผู้เข้าไปกําหนับนะนะเข้าไปติดข้อง ถามง่ายๆว่าถ้าเราชอบรูปไหนสักรูปหนึ่งคํว่ารูปไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสในปัสวาลทั้งหประสาทสัมผัสทั้ง5้าตาวานเนี่ยนะรูปไหนที่เราชอบแล้วเราไม่ต้องโศกกลับมานี่มีไหมเอาจริงๆเหรนะรูปที่เราบอกอุ้ยมีแต่น่ายินดีอย่างเดียวไม่เคยเสียใจกับรูปนั้นมาเลยบอกว่ารูปในโลกเนี่ยนะถามว่ารูปไหนที่เราหน่ายินดีที่สุดใช่ไหมรูปที่เราไปส่องกระจกแล้วเห็นน่อรูปนั้นแหะเราจะยินดีที่สุดทีนี้รูปเหล่านั้นเนี่ยเคยเสียใจเพราะรูปเหล่านั้นไหม ปกติเลยว่างั้นเถอนนะเดือดร้อนเป็นปกติเพราะการดูแลรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้ายิ่งดูแลเท่าใดก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นนะให้อาหารมากเท่าใดก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเท่านั้นนะอาจจะอ้วนขึ้นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ย น, นะรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อรูปเนี่ยมันมีด้านเสียหายอยู่ตลอดเวลาวิธีคิดเปลื้องให้พ้นจากรูปทําอย่างไรจริงถ้าเป็นอาศีวิสสาสูตร สั่งยุตานิกายสลายยตนาวัฏเนี่ยนะอธิบายว่ารูปทั้งหลายในรูปประขันเนี่ยนะรูปก็คือรูปประขันรูปประขันนี่แหละคือกายเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกายานุปัสสนากายเยกายานุปสีวิหารตีเนี่ยนะกายรูปประกายตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนาแล้วรูปเหล่านี้เนี่ยพระองค์อุปมาว่ามันก็เหมือนกับรูปคือมหาพูดสี่เป็นเหตุใกล้รูปก็เหมือนกับอสรพิษเนี่ยนะ แล้วอสารพิษเหล่านี้รวมกันเรียกว่ารูปประขันรูปประขันก็คือเพชฌฆาตเป็นผู้ฆ่ารูปคืออายตนะภายในก็เหมือนกับเรือนว่างถ้าอายตนะภายนอกก็เหมือนกับจนปล้นจะเรียกว่าจะออกจากวงจรเหล่านี้ได้อย่างไรออกจากระบบแผงสังสารวัษเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้ทันการเจริญสติปัญฐาเนี่ยเป็นวิธีการเพื่อที่จะปลดเปลื้องเนี่ยนะนิสรณะแปลว่าปลดเปลื้อง เปลื่องใจให้พ้นจากความติดข้องในรูปเลิกกู้สัทีหนึ่งกลว้วิธีเปลื้องนี่วางั้นวิธีเปลื้องฉันทราคะที่มีในรูปทั้งหลายนั่นแหละคือการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะันการเจริญสติปัฏฐานในเบื้องแรกเนี่ยนะคนทั้งหลายเนี่ยถามว่าฟุ้งซ่านมากๆาเนี่ยสมฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าเราจะฟุ้งซ่านเนี่ยนะเราก็ฟุ้งซ่านเพราะ พ่อรูปทั้งหลายอะนะฟุ้งซ่านเดือดร้อนลําบากใจพ่ะรูปทั้งหลายเมื่อฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจพราะรูปทั้งหลายเนี่ยทำยังไงจึงจะละคลายความฟุ้งซ่านในเรื่องรูปได้คือบางทีเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากมเลยนะบอกว่านั่ง5นาที10นาทีเนี่ยมันคิดได้ทั้งหลายเรื่องเลยนะมันทําไมมันฟุ้งซ่านขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนันมันฟุ้งซ่านขนาดนั้นเนี่ยทำยังไงให้มันสงบสงบบ้างก็บอกว่าเอาให้ได้ก็คุณเจริญอานาปานสติเนี่ยนะ กำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะสะติที่ตั้งอยู่ไว้กับลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าเอาจิตไปผูกไว้กับหลักคือลมหายใจเข้าออกบ้างอันนี้ก็ลดความฟุง้งซ่านวิธีเปลื้องความทุกข์จากรูปวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะวิธีที่หนึ่งก็คือการอะไรกำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นแหละที่ที่พระองค์แนะนําไว้ในสติปัฏฐานแล้ววิธีที่สองวิธีที่สองที่จะทําให้ปลดเปลื่องใจออกจากรูปได้วิธีที่สองก็คือ พิจารณาอิรยาบททั้ง4เนี่ยนะที่จะปลดเรื่องใจเนี่ยนะปลดเลื่องใจไม่ให้ผูกพันกับรูปเพราะว่าผู้ที่ติดใจผูกพันในเรื่องของรูปก็ติดใจเพราะอะไรเพราะเกี่ยวกับอิรยาบทนี่แหละ น, นะเมื่อเดินคล่องก็ดีใจนั่งในระหว่านั่งก็สบายนอนก็สบายดูแลรูปให้เป็นไปในอิริยาบทสเนี่ยดูเหมือนมีความสุขเหลือเกินแต่ว่าถามว่าความทุกข์จริงๆอยู่ที่ไหนคนที่คิดว่าเดินไม่ได้ต่อไปนี่จะมีความสุขไหม โอ้ oh, เริ่มทุกข์เลยนะทุกข์ตั้งแต่บอกว่าเดินไม่ได้แล้วต่อไปคุณเลิกเดินเลยบอกเริ่มทุกข์บอกไอ้ท่านเลิกเดินก็ทุกข์พอสมควรเราบอกต่อไปคุณเลิกยืนยืนไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยถามว่าทุกข์ไหมบอกทุกข์มากบอกต่อไปเนี่ยคุณนั่งไม่ได้แล้วค่อยๆตัดออกไปเลยนะถามว่าจะทุกข์ไหมทั้งๆที่มีรูปขันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วบอกต่อไปแม่ก็อยู่อิริยาบถนอนอย่างเดียวในที่สุดก็เรียกว่าถ้านอนอย่างเดียวถ้านอนทับส่วนใดมากจะเป็นยังไง คือรูปทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพันะถ้าเราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถเอาไว้ให้เพียงพออิริยาบถของผู้ใดของใครจะเป็นเช่นใดก็ช่างเถอะจะไม่มีโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเนี่ยนะ มันมันจะไม่ไม่มีการว่าสมบูรณ์ตลอดไปหรอกมันมีแต่ไม่ดีไม่ดีต่อไปอย่างเมื่อก่อนเคยเดินคล่องต่อไปก็จะเดินไม่คล่องต่อไปยืนก็สบายต่อไปยืนก็เดือดร้อนเมื่อก่อนนั่งสบายตอนหลังนั่งก็ไม่สบายเมื่อก่อนนอนก็อูห้หลับสบายต่อไปนอนก็ยิ่งนอนยิ่งปวดยิ่งเมื่อยจะทำไงเนี่ยนอนก็ปวดมื่อยไปเดินก็เหนื่อยนั่งก็ล้านเนี่ยนะสะรุปมันเดือดร้อนไปหมดเลยทํำยังไงดีคนที่ไม่มีสติปัญญาเลยเนี่ยนะคนที่ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจเลยเนี่ย จะเริ่มที่มาของความหงุดหงิดอย่างเดียวกลายเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีภาษาไทยนะเรียกว่าอารมณ์ไม่ดีก็คือคนที่ใจไม่ดีเลยอะ่ะเป็นคนที่ออกจะเป็นประเภทอัธยาศัยอหิเขาว่างั้นนะเรียก ว, ว่าอัธยาศัยคล้ายงูเขาว่างั้นคือคือเรียวกว่าเกลี้ยกลาอเนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้งางเกลี้ยกลาอเพราะว่ายิ่งรูปบกพร่องเท่าใดเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนป่วยจะใจดีโดยรวมๆแล้วคนป่วยใจไม่ค่อยดี ถามว่าทำไมคนป่วยใจไม่ดีก็รูปเขามันบกพร่องอ่ะคนที่รูปบกพร่องเนี่ยนะจะให้เขายิ้มแย้ ม, แ, ยมแจม่มใสมีความสุขได้ยังไงเขาก็เครียดก็อึดอัดก็ลำบากใจเพราะยิ่งรูปใดที่ไม่เจริญสติปัฏฐานไว้เพียงพอรูปนั้นเดือดร้อนแน่เพราะรูปเหล่านี้เนี่ยนะมันสะท้อนโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตออกจากมันเลย รูปเนี่ยมันไม่ได้สะทส้อนศรัทธาวิริยะอะไรออกมาหรอกมันสะท้อนแต่โสกะปริเทวทุกโธมนัสและอุปายาตพระพุทธเจ้าบอกว่านี่คือความเศร้าหมองของรูปเพราะรูปเนี่ยเพราะมีรูปรสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้ามองเพราะมันสะท้อนออกมาแต่ความเศร้ามองสังกิริโถเนี่ยนะสังกิริโถเพราะว่ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองเพราะรูปนี้แหละจึงเศร้ามองด้วยราคะเศร้ามองด้วยโทะสะเศร้ามองด้วยโมหะ ล้วนะตัวรูปเองอะ่ะที่ทำไมจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองก็เพราะรูปเนี่ยเป็นไปกับชาติชรา ม, มรณะเป็นต้นในอาทิตตะเประยยสูตรเป็นต้นเนี่ยนะหรือในขันทวรวะชพระองค์ก็แสดงว่ารูปเนี่ยรูปประคันเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรก็ร้อนเพราะไฟสิเกองเพราะรูปเป็นที่ตั้งแห่งราคะถ้ารูปใดบริสุทธิ์ผุดพองงดงามน่าดูหน้าชมเนี่ยนะรูปนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะใช่ไหมใช่ แล้วถามว่ารูปเดียวกันเนี่ยมันจะมันจะน่าชมตลอดไปไหมไม่เนี่ยนะเพราะหลายคนเขบอกว่าเคยประกวดนางงามได้ใช่เมื่อตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ น, นะนะทีนี้เมื่อรูปเหล่านั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันอะไรไ ฟ, ไฟอะไรตามมาไฟคือโทสะก็ตามมาเนี่ยนะไฟคือราคะก็ชอบในรูปที่งดงามเนี่ยนะรูปที่งดงามก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะ เคยได้ข่าวไหมว่าคนนี้น่าเกลียดมากๆเลยนะถูกเขาเอาไปข่มขืนเป็นต้นนีไม่มีหรอกนะเพราะนั้นแต่รูปรูปบางรูปที่มันดูหน้าดูหน้าชมเป็นต้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งราคะอย่างรุนแรงแล้วก็เสียหายและในที่สุดเป็นที่ตั้งแห่งโทสะอย่างอื่นตามมาแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเพราะรูปบางอย่างที่คนเห็นแล้วเนี่ยนะลืมดีลืมชั่วลืมบุญลืมบาปลืม ลืมแม้กระทั่งบาปบุญคุณโทษลืมไปทุกเรื่องเลยนะเพราะรูปนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะนะไฟคือโมหะมันก็สะท้อนออกมาจากรูปเครียกว่ารูปนี่มันแลบราคะออกมาและโทสะออกมาแล้วก็แลบโมหะออกมาเรียกว่าเปลวมันก็ล้อนะโอ้ลุกท่วมแล้วลำพังตัวรูปเองก็เป็นไปกับชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมณัสและอุปาญาตถามว่าถ้าเรามีใจไปข้องอยู่กับรูป ติดอยู่กับรูปหลงไหลอยู่กับรูปชาติหน้าควรจะอยู่ที่ไหนดีเอางี้ดีกว่ารูปไหนที่เราคิดถึงทานศีลภาวนาบ้างมีกี่รูปอะที่นี่รูปนี้นะเออเนี่ยรูปนี้ก็ให้ทานไว้แล้วให้ทานมาเยอะแล้วด้วยก็สบายอย่างเดียวนี่รูปทุกรูปนะอู้ชันพิจารณาศีลลงทุกรูปหมดแล้วเจริญศีลไว้กับทุกรูปแล้วเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนา นิพพานุปัสนาวิราคานิโรธาปฏินิสักานุปัสนาวไว้กับทุกรูปเสร็จแล้วเป็นอย่างนั้นไหมถ้าอย่างนี้ก็ปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแหะไม่ปลอดภัยแน่นอนถามว่าอย่างอย่างที่เคยกล่าวในวิสุทธิมาร์คว่าอบายทั้งหลายถามว่านรกเนี่ยทำไมมันน่ากลัวมากก็เพราะว่านรกเนี่ยเตโชธาต์ก็คือรูปเตโชมันร้อนแรง พบบางพบอาโปมันร้อนแรงพบบางพบวายโอร้อนแรงพบบางพบปัททวีมันไม่มีคุณภาพเอาเลยเพรผนถามว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกแม้กระทั่งความทุกข์ในหมู่มนุษย์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะดินน้ำลมไฟมันก็มีอยู่สี่อย่างเนี่ยนะทุกข์เพราะดินทุกข์เพราะน้ำทุกข์เพราะลมทุกข์เพราะไฟเพราะรูปทั้งหลายเนี่ยที่เหตุว่าเรียกว่ารูปปัจขันก็เพราะว่ามีดินน้ำลมไฟลำบากเพราะดินน้ำลมไฟเสียห้ประเมินมูลค่ากับเพราะดินน้ำลมไฟมันก่อนรองผู้ว่าจังหวัด ราชการเชียงรายออกมาพูดบอกว่าเนี่ยน้ําท่วมครั้งนี้น่ะเสียหายประมาณร้อยสาสิบล้านเว่างั้นตอนนั้นนะตอนนี้อาจจะเพิ่มตัวเลขขึ้นแลก็ได้น้าท่วมไม่กี่วันเนี่ยบอกเสียหายไปร้อยสมสิบล้านก็บอกว่าบางประเทศเนี่ยนะพายุมันเข้ามาตอนนี้เสียหายพันล้านเหรียญเองเว่างนันนะ ก็หวังก็จะเสียเพราะอะไรเพราะเพราะรูปเนี่ยนะที่เราบอกว่าเสียหายมันดีมีราคาหมดคุณค่ามีราคาเท่าไหร่มันเป็นเครื่องวัดที่ใช้กับรูปทั้งนั้นแหละรูปมันก็มีอะไรเกินดินเกินน้ําเกินไฟเกินลมเพราะฉะนั้นเราก็วัดว่ามันดีก็ดีที่ดินน้ําไฟลมมันเสียหายก็เสียหายที่ดินน้ําไฟลมพันดินน้ําไฟลมเนี่ยเขาเรียกมหาพูดเนี่ยนะก็คือ มันไม่เคยมีว่ามันดีตลอดไปแล้วมันก็ไม่จะไปบอกว่ามันเลวร้ายตลอดไปมันก็มีทั้งข้อหน้ายินดีและข้อที่หน้ายินร้ายถ้าไม่พิจารณารูปเหล่านี้เอาไว้ให้เพียงพอก็ลำบากเพราะว่าไอ้ดินน้ำไฟลมเนี่ยแม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนนี่ก็คือดินน้ำไฟลมเนียเดี๋ยวจะเรียนนั่งนอนเนี่ยก็คือดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นอย่างไรในสัมปชัญญะบัพพเนี่ยนะมันมาขอกล่าวถึงสติปัฏฐาน เขอว่าไอที่พูดนี่ทั้งหมดนี่อยู่ในสติปัฏฐานใช่ไหมว่าอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยทีนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยนะหน้าถึงหน้าไหนแล้วแก้หนังสือนิดหนึ่งนะหน้าหกร้อยหกสิบหกย่อหน้าหนึ่งสองสามสี่ย่อหน้ า, 1, 2, 3, นาบรรทัดที่สามที่สี่เนี่ยนะ แก้หนังสือนิดหนึ่งก่อนเมื่ออยู่โดยลําพังเ่ยนะโดยที่ถูกต้องแปลว่าเมื่ออยู่รวมกันนะสิบสิบรูปบ้างไม่ใช่สิปีนะสิบรูปสิบองค์อ่ะนะอยู่รวมกันสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างห้าสิบรูปบ้างร้อยรูปบ้างนะอันนี้เนี่ยคือคาที่ถูกต้องสิบรูปนะไม่ใช่สิบปี สิรูปหรือสิบท่า น, นั่นเองเอนะอยู่ร่วมกันนะไม่ใช่อยู่โดยลําพังอยู่ร่วมกัน10บรูปบ้าง20รูปบ้าง50รูปบ้างร้อยรูปบ้างข้อความในอัตถกาถาสติปฐานสูตรต ป, ปันจะสุเทนีมัชฌิมนิกายมูลบันนากล่าวถึงคตตปัจจาค์ขัตตวัดเนี่ยนะวัดในการนํากรรมฐานไปนะวัดในการนํำกรรมฐานกลับ เพราะว่าภิกษุบางรูปนำไปแต่ไม่นำกลับบางรูปนากลับแต่ไม่นาไปบางพวกไม่มีสติปัฏฐานอยู่ในหัวใจเลยนะก็เลยไม่นำกรรมฐานไปและไม่นำกรรมฐานกลับส่วนภิกษุที่นำกรรมฐานไปด้วยนำกรรมฐานกลับด้วยภิกษุนี้เรียกว่าบําเพ็ญฆตะปัจจาคติกวัตวัดในการนำกรรมฐานไปและวัดในการนากรรมฐานกลับมาคือสามารถเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะ วิธีการพิจารณารูปทั้งอัศสธส า, าแห่งรูปอาทีนวาวแห่งรูปนิสรณะของรูปโดยเฉพาะวิจัยแยกเยะความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะโดยเฉพาะอาทีนวะคือโทษของรูปโดยประการทั้งหลายสามารถนํากรรมฐานไปและนํากรรมฐานกลับอย่างยกตัวอย่างว่าเพราะว่ากุลบุตรทั้งหลายผู้มุ่งประโยชน์บวชในศาสนานี้มุ่งประโยชน์นี้ประโยชน์ไหนที่เข้ามาบวชต้องการประโยชน์ประโยชน์คืออะไร ประโยชน์มีสาอย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับพระพิสูุทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ต้องการสะสมอะไรเพื่อประโยชน์โลกนี้อยู่แล้วขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่สรรเสริญประโยชน์โลกหน้าสําหรับพระพิสูจนทั้งหลาย น, นะเพราะว่าพระพิสูจอริยสาวกไม่ต้องการแม้กามคุณอันเป็นทิพย์จะกล่าวไปยายถึงการมคุณอันเป็นของมนุษย์เล่ามันก็ต้องการประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน หรืออีกในหนึ่งเ็าบอกว่ามุ่งประโยชน์คืออรหัตผลอรหัตผลนี่เรียกว่าประโยชน์ของตนโดยแท้เพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งอรหัตผลบวชในศาสนาก็คือเข้ามาเว้นรอบอยู่ในศาสนาคือประพฤติอธิศินอธิ จ, จิตและอาธิปัญญาสิกขาเมื่ออยู่ร่วมกันเนี่ยนะอยู่ร่วมกันบางแห่งก็สิบรูปบ้าง20รูปบ้าง50รูปบ้างหรือร้อยรูปบ้าง ท่านเหล่านั้นก็ทกํากติกาวัดคือทําข้อตกลงกันไว้ว่า น, นะคือก่อนเนี่ยนะเมื่อมาอยู่ร่วมกันอย่างนี้เรามาคุยกันก่อนว่างั้นประชุมกันก่อนประชุมกันแล้วก็บอกว่าทําข้อตกลงกติกาวัดเลยว่าท่านทั้งหลายหรือว่าท่านผู้เจริญท่านครับเนี่ยนะเราทั้งหลายเนี่ยที่มาบวชกันไม่ใช่บวชหลบหนี้สินนะอันนั้นไม่ใช่ว่าหมดทางไปแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าคืนอยู่เป็นคารวะ ต, ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาจะมาทวงไปต้นหรือว่า บวชกบอกเดี๋ยวจะบวชให้กันแล้วการฉันติดหนี้คุณเดี๋ยวฉันบวชให้กันแล้วกันเป็นตน้นบวชเพราะหนีหนี้แบบนี้ก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่บวชเพราะหลบภัยหลบภัยเนี่ยนะว่าพระราชาเป็นต้นไมาหัวเอาไว้แล้วก็เลยหนีภัยหนีเข้ามาอาศัยผ้าเหลืองอยู่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่บวชเพราะว่าไม่มีอาหารเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเพราะฉะนั้นไม่ได้บวชเพื่อต้องการแค่เลี้ยงชีวิตแต่ที่บวชเพราะประสงค์จะพ้นไปจากวัตรทุกข์ันะที่บวชเพราะต้องการพ้นจากทุก จึงได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้สอนอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเพราะฉะนั้น ค, คือสรุปว่าจับจับมุ่งหมายชัดเจนแล้วว่าทำไมจึงมาบวชนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีคดีอะไรติดตัวมาบวชแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบวชคือประสงค์บรรลุมรรคผลนิพพานประสงค์จัดแทงตลอดอริยศสตร์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็มาบวชมาบาเพ็ญสิกขาในศาสนานี้ พันธการปฏิบัติในศาสนานี้ก็คือการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอนะอธิศีและศาสนาอธิจิตแต่ศาสนาและอธิปัญญาศาสนาเนี่ยนะก็คือคําสอนที่ด้วยว่าด้วยอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีลเนี่ยนะคืออะโทสะอธิจิตคืออโลภาอธิปัญญาคืออโมหะทีนี้ เนี่ยคือคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอะโลภะอะโทสะและอะโมหะทำที่กําจัดโลภะโทสะและโมหะนี่พอเจริญเอาผบวชเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นสิพอโลภะโทสะโมห ะ, มหะเกิดมันไม่ใช่คําสอนแล้วใช่ไหมแล้วทำไงดีเพราะฉะนั้นขณะเดินท่านทั้งหลายจงขม่มกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะเดินถ้าโทสะที่ไม่ใช่ศีลเกิดขึ้นท่านต้องขม่มโทสะ ถ้าโลภะเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมถะท่านต้องข่มโลภะถ้าโมหะเกิดขึ้นในขณะที่ไม่ใช่วิปัสนาท่านต้องข่มโมหะเพราะฉะนั้นขณะเดินอกุศลใจมันเศร้ามองด้วยราคะโทสะโมหะท่านต้องข่มนะข่มแปลว่าวิขำพนะข่มด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโกดบีบกัดฟันไม่ใช่ลักษณนะนั้นแต่หมายคําว่าข่มในที่นี้คือออกจากนะเราคงไม่ลืม ไม่เลิมข้อปฏิบัติที่เคยกล่าวในวปฏิสัมพิทาว่าออกจากการมฉันทะด้วยเนคขมมะหรือว่าข่มการมฉันทะด้วยเนคขมมะข่มพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทข่มทีนามิธะด้วยอโลกสัญญาข่มวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมข่มอารติด้วยปรามโมทข่มอวิชาด้วยยาณะเนี่ยนะมันก็ต้องมีการเอาคุณธรรมเป็นเครื่องข่มอากุโซธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ ถ้าทำฝ่ายดำเกิดขึ้นก็เจริญทำฝ่ายขาวเพื่อละทำฝ่ายดำเพราะฉะนั้นเวลาเดินเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นในตอนเดินต้องเจริญกุศลมากาจัดอากุศลเหล่านั้นให้ได้ขณะยืนก็ข่มกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะยืนเพราะไม่ปล่อยให้มันผุดขึ้นมาให้ได้กิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผุดมาอย่างไรรู้กิเลสเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันผุดด้วยอากุศลมีตกเช่น กามวิตกเกิดบ้างพยาบาทวิตกเกิดบ้างวิหิงสาวิตกเกิดบ้างเรียกอกุศลวิตกทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอกุศลวิตกทั้งหลายเกิดขึ้นก็เจริญกุศลวิตกทั้งหลายให้ได้เนี่ยนะมันจะต้องออกจากอกุศลด้วยการเจริญกุศลการออกจากอกุศลด้วยการเจริญกุศลเรียกว่าการข่มกิเลสเนี่ยนะ ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยน ะ, ะเพราะฉะนั้นเวลานั่งก็ข่มกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในเวลานั่ง <c oughs> เวลานอนก็จงข่มกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นใน <c oughs> เวลานอนไม่มีอิริยาบถไหนที่มีกิเลสอย่างนั้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า <c oughs> พระที่เจริญคุณธรรมเพียรพร้อมบริบูรณ์เนี่ยนะ <c oughs> ไม่มีขณะที่ที่เป็นกิเลสเลยที่ใดที่ท่านนั่ง <c oughs> คือพระพระทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมเขาเรียกว่ามีวิหารธรรมวิหารธรรมคืออะไรพรหมวิหาร นะครับมีหนึ่งอยู่ด้วยพรหมวิหารยืนเดินนั่งนอนอิริยาบทสี่อยู่กับพรหมวิหารอย่างที่เราสาธยายเมตสูตรเมื่อกี้นะนะกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นก็คือตั้งสติเอาไว้กับพรหมวิหารสี่ไว้เพียงนั้นหรือตั้งสติไว้กับเมตตาไว้เพียงนั้นเว้นแต่หลับอ่างนั้นเถอะอิริยาบถสีน่นี่เรียกว่าอยู่ด้วยพรหมวิหารอิริยาบทสี่อยู่กับพรหมว กำจัดโทสะเหล่านั้นด้วยพรหมวิหารถ้าราคะเกิดขึ้นก็กำจัดราคะด้วยอสุภะทั้งหลายนไถ้าหากว่าโมหะเกิดขึ้นก็พิจารณาขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจจะสมุปบาททั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะที่เจริญพรหมวิหารเรียกว่าอยู่ด้วยพรหมวิหารถ้าเจริญอสุภะก็เรียกว่าทิพภวิหารถ้าเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธาตุอายตนะเป็นบาตรเป็นเบื้องต้นแห่งอริยวิหารเพราะฉะนั้นยืนก็ยืนด้วย พรหมวิหารทิพวิหารอริยวิหารนั่งก็นั่งด้วยพรหมวิหารทิพวิหารแล้วก็อริยวิหารก็คืออยู่ด้วยวิหารธรรมที่ดีถ้าหากว่าไม่อยู่ด้วยพรหมวิหารทิพวิหารอริยวิหารแล้วมันต่างอะไรจากคนไม่เจริญนะมันไม่ต่างกันตรงไหนไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ในจิตในใจแม้แต่นิดเดียวมันจิตใจเนี่ยนะต้องอยู่ด้วยพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเพื่อกําจัดโทสะ อยู่ด้วยทิพภวิหารทิพพวิหารก็คือการเจริญอสุภะทั้งหลายเพื่อกำจัดราคะอยู่ด้วยพิจารณาขันธาตุอายตนะโดยอนุปัสนาทั้งหลายก็เป็นบาทแห่งอริยวิหารอันนั้นก็อยู่ด้วยเครื่องอยู่ของพระริยกเจ้าอยู่ด้วยอาสนะพรมอาสนะทิพและก็อาสนะของพระอริยยามยืนเดินนั่งและนอนเพราะจะต้องข่มกิเลสได้ในอิริยาบที่ แล้วเวลาเจริญเจริญไปแล้วไอ้กิเลสมันแทรกเข้ามาก็ต้องชำระให้มันได้บางทง